เจ็ดอิติปาทสังยุตหนึ่งปาวาลวัคหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปาวาลเจดีหนึ่งอาปารสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอิติปาสีประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้ อิธิบาสีประการอะไรบ้างคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรที่มุ่งมัน่น 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรที่มุ่งมัน่น 3.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 อภารสูตรที่หนึ่งจบสองวิรัตสูตรว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาดภิกษุทั้งหลายอิทิบาสีประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้ว อริยมรรคที่ถึงความสิน้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วส่วนอิธิบาสีประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วอริยมรรคที่ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้ น, ร น, น, นรปร า, ร บ, าป ร, รบแล้วอิธิบาสีประการอะไรบ้างคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทาสมาธิประธานสังขาร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 เป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วส่วนอิธิบาสีประการนี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึง่งปรารบแล้วอริยมรรคที่ถึงความสิ้นทุกโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารบแล้ววิรัตทสูตรที่สองจบ 3. อริยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยภิกษุทั้งหลายอิธิบาสีประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นอริยเป็นนิยานิกรรมนาออกไปเพื่อให้สิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้บาเพ็ญอิธิบาสีประการ น, นั้นอิธิบาสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 เป็นอริยะเป็นนิยานิยกรรมนำออกไปเพื่อให้สิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญอิธิบาสีประการนั้นอริยสูตรที่สจบ 4. นิพพิทาสูตรว่าด้วย ทำที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายภิกษุทั้งหลายอิทิบาสีประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพานอิทิบาสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้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 ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายคำนัดเพื่อดับเพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานนิพพิทาสูตรที่สจบหา อิทิปเทสะสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำริษบางอย่างให้สำเร็จภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ทำริษบางอย่างให้สำเร็จได้ก็เพราะอิทิบาสีประการที่สมณะหรือพราหม์เหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากทำริษบางอย่างให้สาเร็จได้ ก็เพราะอิธิบาสีประการที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเจริญทําให้มากแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันกา้ย่อมทําฤทธิ์บางอย่างให้สําเร็จได้ก็เพราะอิธิบาสีประการที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเจริญทําให้มากแล้วอิธิบาสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการ ได้ทำริ์บางอย่างให้สำเร็จได้ก็เพราะอิทิบาศีประการนี้ที่สมณะหรือพราหมเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วสมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากทำริ์บางอย่างให้สำเร็จได้ก็เพราะอิทิบาศีประการนี้ที่สมณะหรือพราหมเหล่านั้นทั้งหมดจเจริญทำให้มากแล้วสมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการ ย่อมทำริษบางอย่างให้สำเร็จได้ก็เพราะอิทิบาสีประการนี้ที่สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วอิทิปเทศสูตรที่5จบ 6. สมัติสูตร ว่าด้ยวยเหตุที่ทำริษบริบูรณ์ให้สำเร็จภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ทำริษบริบูรณ์ให้สำเร็จได้ก็เพราะอิทิบาสีประการที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากทำริษบริบูรณ์ให้สำเร็จได้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 ได้ทำริษบริบูรณ์ให้สำเร็จได้ก็เพราะอิทิบาสีประการนี้ที่สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทาให้มากแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากทำริษบริบูรณ์ให้สำเร็จได้ก็เพราะอิทิบาส4ประการนี้ที่สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการ ย่อมทำฤทธิ์บริบูรณ์ให้สำเร็จได้ก็เพราะอิทธิบาสีประการนี้ที่สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วสมัตตสูตรที่6จบ 7. พิกุสูตรว่าด้วย เหตุที่ทำให้ภิกษุได้วิมุตต์ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันก็เพราะอิธิบาสีประการที่ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากทาให้แจ้งเจโตวิมุตต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 พุทธสูตรว่าด้วยเหตุที่ทําให้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายอิทิบาสีประการนี้อิทิบาสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิปรธานสังขาร 4. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปรธานสังขารอิธิบาท4ประการ น, นี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตอันบัณฑิตเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอิธิบาสีประการ น, นี้ที่ตถาคตเจริญทําให้มากแล้วพุทธสูตรที่8จบ ญาณสูตรว่าด้วยญาณเกิดขึ้นเพราะเจริญอิธิบาทภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้เป็นอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารจักสุเกิดขึ้นแล้วยาเกิดขึ้นแล้ว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 เสด็จกลับจากบิทบาดภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงถือผ้านิสีธนะเราจะเข้าไปยังปาวารเจดีเพื่อพักผ่อนกลางวันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้ถือผ้านิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริศดางลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้แล้วฝ่ายท่านพระอาณนทวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับท่านพระอาณ น, น, นดังนี้ว่าอานนกรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมกเจดีน่ารื่นรม สัตตมพระเจดีน่ารื่นรมพรหุปุตตะเจดีน่ารื่นรมสารันทะเจดีน่ารื่นรมปาวาลเจดีโค่น่ารื่นรมอานุนอิทิบาสีประการอันบุคคลใดบุคคลหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นสังสมปรารบดีแล้วบุคคล น, นั้นเมื่อปราธนาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตลอดกับ หรือมากกว่ากับอา น, น์อิธิบาสีประการอันตถาคตเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารบดีแล้วตถาคตเมื่อปราถนาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตลอดกับหรือมากกว่ากับแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทานิมิตที่ชัดแจ้งโอภาที่ชัดเจนอย่างนี้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 เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งนี้เป็นเพราะท่านถูกมารดนใจแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมกเจดีน่ารื่นรมสัตตมพระเจดีน่ารื่นรม พหุปุตตะเจดีน่ารื่นรมสารันท h เจดีน่ารื่นรมปาวาลเจดีก็น่ารื่นรมอานนท์อิทธิบาสีประการอันบุคคลใดบุคคลหนึ่งเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารบดีแล้วบุคคลนั้นเมื่อปราถนาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตลอดกลับหรือมากกว่ากับอานนท์ อธิบาศิประการอันตถาคตเจริญทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารบดีแล้วตถาคตเมื่อมุ่งหวังก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตลอดกลับหรือมากกว่ากับแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทํานิมิตที่ชัดแจ้งโอภาที่ชัดเจนอย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็ไม่อาจรู้ทัน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 เป็นเพราะท่านถูกมารโดนใจลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าไปเถิดอานนท์เธอจงกาหนดเวลาอันสมควรในบัดนี้ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาททาประทักษิณแล้วนั่งที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลครั้นเมื่อท่านพระอานนท์จากไปไม่นาน มารผู้มีบาปก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วเดียกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรโดปรินิพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตโปรโดปรินิพานในบัดนี้เถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเคยตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามารผู้มีบาป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 ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรบประวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลานี้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำกล้าวกล้าเป็นผู้หูสูรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งพระพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็สามารถจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแน่ทำให้ง่ายได้สามารถแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรบปรว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ขอพระผู้มีพระภาคโปรโดปรินิพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตโปรโดปรินิพานในบัดนี้เถิดเวลานี้เป็นเวลาป ร, รินิพานของพระผู้มีพระภาค ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเคยตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่ภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้ว แต่ก็ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนบทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบรปาว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลานี้ภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เชียรแห้มได้รับการแนะนำแกล้กลาเป็นผู้หูสูดทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤตตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็สามารถจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายได้สามารถแสดงธรรมมีปฏิหารปราบรปาว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตปโปรดปรินิพานในบัดนี้เถิด เวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเคยตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามานผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่อุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราและถึงตราบเท่าที่อุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนาไม่แกล้วกล้า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 ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตโปรดปรินิพานในบัดนี้เถิดเวลานี้เป็นเวลาป ร, รินิพานของพระผู้มีพระภาคเมื่อมานทูลอาราธนาอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบดังนี้ว่ามานผู้มีบาปเธอจงอย่า ก, กังวลเลยอีกไม่นานการป ร, รินิพานของตถาคตจกมีจากนี้ไปเพียงสามเดือน ตถาคตจากปรินิพานขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงปรงพระชนมายุสังขารณนนะบ่าวาลรเจดีเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงปรงพระชนมายุสังขารแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หน่าสะพรึงกลัวให้เกิดขนพองสยองกล้าวทั้งกรองทิพก็ดังกือกกล้องลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่ามุนีละกรรมทั้งที่ช่างได้และช่างไม่ได้อันเป็นเหตุขอกำเนิดเป็นเครื่องปรุงแต่งพบได้แล้วยินดีภายในตนมีใจมั่นคงทําลายกิเลสที่เกิดในตนได้เหมือนนักรบทําลายเกราะเสียฉะนั้นเจติยะสูตรที่ส0บจบปาวารวั์ที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อาปาระสูตร 2. วิรัตสูตร 3. อริยสูตร 4. นิพิธาสูตร 5. อิทิประเทสสูตร 6. สมัตตสูตร 7. ภพิกุสูตร 8. พุทธสูตร 9. ญายานสูตร 10. เจติยสูตร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 และมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเ si บื้องหน um ้าเบื Swift ้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่ไมีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่สอง เจริอธิบาตที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าวิริยะของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประครับประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่ซ่านไปในภายนอกและมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่าง เบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ 3. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าจิตของเราจากไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประครับประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่ซ่านไปในภายนอก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 หรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหักตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหักตะหรือจิตไม่เป็นมหักตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหักตะจิตมีสิ่งอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีสิ่งอื่นยิ่งกว่า